วันนี้เป็นวันพระหัสสบดีวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นวันพระเป็นวันที่ชาวพุทธเราจะมาเติมบุญเติมความสุข ติพลังให้แก่จิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าบารมีสิทธิ์เป็นธรรมที่จะผลิตความสุขให้กับจิตใจและผ <c oughs> ลักดันจิตใจ ให้ขึ้นสู่ระดับสูงขึ้นไปตามลำดับจากระดับของมนุษย์ให้ขึ้นสู่ระดับของเทพระดับของพรหมระดับของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดถึงพระนิพพานที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่สิ้นสุด ของความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากการปฏิบัติทำสิบประการคือบารมีสิบบามีสิบนี้ก็ประกอบด้วยหนึ่งเมตตาบามีสองทานบามีสามศีลบาามีสี่ส เนคขมบารมีหอุเบกขาบารมี6ปัญญาบารมีเจอธิษฐานบารมี8ปสัจจาบารมี9วิริยะบารมีและสขันติบารมี นี่คือคุณธรรม <c oughs> ต่างๆที่ผู้ที่ปรารถนาความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองของจิตใจจำเป็นที่จะต้องมีการบาเพ็ญมีการสร้างกันอย่างต่อเนื่องถ้ามีการบาเพ็ญมีการสร้างอย่างต่อเนื่องบารมีเหล่นี้ ก็จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลาดับเหมือนกับเชื้อเพลิงที่ใช้กับจรวดยานอาวากาศยานอาวากาศนี้ถ้าไม่มีเชื้อเพลิงก็จะไม่สามารถส่งยานอาวากาศให้ขึ้นสู่อาวากาศและโคจร ไปตามดวงดาวต่างๆได้จําเป็นต้องมีเชื้อเพลิงก่อนที่จะส่งยาณอวกาศขึ้นไปนี้เขาจะมีการเติมเชื้อเพลิงซึ่งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยกันเพราะจําเป็นที่จะต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นจํานวนมากถึงจะมีพอเพียงต่อการ ส่งยาอวกาศให้ขึ้นสู่ท่องฟ้าขึ้นสู่อากาศให้ออกจากรัศมีของแรงดึงดูดของโลกได้จิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนยาอากาศนี่เองตอนนี้ยาอากาศของพวกเราถูกแรงดึงดูดของโลกโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด คือโลกของตายภพโลกของการมาภพรูปภพอรูปภพดึงดูดไว้ไม่ให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายภพนี้ได้เพราะสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดก็คือกิเลสตัณหานี่่องกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา หรือกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาเป็นตัวที่คอยฉุดคอยดึงไม่ให้จิตใจนั้นหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในใตายพกนา น, นานจะมีวิศวกรผู้ฉลาด ผู้ที่คิดสร้างยาอกาศขึ้นมาและคิดชือคิดถึงเชื้อเพลิงต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องใช้กับยาอกามัคิดถึงเชือเเช้อเพลิงค้นคนพบเชื้อเพลิงสิบชนิดด้วยกันเชนื้อเพลิงที่มีส่วนประกอบสิบชนิดคือเมตาไปจนถึงขันติ ามีอันนี้เป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิงที่จะใชในการผลักดันจิตใจที่เป็นเหมือนกับยาณนวกาศนี้ให้หลุดออกจากการโคจรหลุดออกจากการดึงดูดแรงดึงดูดของไตรภพสิ่งที่ดึงดูด จิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงให้ติดอยู่ในใจภพนี้ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานี่ความโลภความโกรธความหลงก็ดีความอยากในกามก็ดีความอยากมีอยากเป็นก็ดีความอยากมีไม่เป็นไม่ความอยากไม่มีไม่เป็นก็ดีเหล่านี้เป็นแรงดึงดูด ที่จะดึงดูจิตใจของสัตว์ลกทั้งหลายทั้งปวงให้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในกามพบในตายพบในกามภพบรูปพบและอรูปพบไม่มีวันที่จะดิ้นหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้ได้เลย จนกว่าจะมีวิศวกรที่ฉลาดที่ได้ค้นพบเชื้อเพลิงอันวิเศษคือบารมีสิบนี้เท่านั้นที่จะเอามาใช้กับยาอาวากาศคือจิตใจของสัตว์โลกให้มีพลัง <c oughs> ที่จะขึ้นสู่อาวากาศ ให้ออกจากโลกของตายภพให้เข้าสู่โลกของพระนิพพานอันนี้คือเรื่องของจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราไม่มีคนจลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาค้นพบบารมีสิบนี่พวกเราก็จะไม่ไม่รู้วิธีที่จะ เลปลื้มจิตใจของพวกเราให้พ้นจากความทุกข์กันได้เกิดมากี่พบกี่ชาติก็ต้องเจอกับความทุกข์ทุกครั้งไปน้ำตาที่หลั่งออกมาในแต่ละพบแต่ละชาติถ้าได้มารวบรวมกันแล้วจะมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นคือปริมาณของพบชาติที่สัตว์โลกทั้งหลาย ได้เวียนว่ายตายเกิดกันได้ทุกข์กันได้ร้องห่มร้องไห้กันแล้วก็จะมีเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีกับพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือกับพระอริยสงสากของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแลย ถึงจะมีโอกาสที่จะหลุดออกจากแรงดึงดูดของตายพบนี้ได้และการพบนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยถ้าพบแล้วไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นี้สามารถที่จะสอนให้หลุดออกจากกอมทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไม่มีโอกาสที่จะหลุดออกได้และถึงแม้ว่าจะเชื่อถ้าไม่ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนก็จะหลุดออกไม่ได้เช่นเดียวกัน ความเชื่อนี้จะเป็นเป็นเบื้องต้นต้องเชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้รู้วิธีที่จะสอนให้เราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่สนใจที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติแต่ถ้าเชื่อ แต่ก็อาจจะไม่ให้ความสําคัญกับการศึกษากับการปฏิบัติเชื่อแล้วก็ให้ความเคารพเช่นให้การบูชากาบไหว้บูชาเคารพนับถือแต่ไม่ได้ศึกษาคําสั่งคําสอนไม่ได้นําเอาคําสั่งคําสอนไปปฏิบัติ ความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะยังไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจของผู้ที่มีความเชื่อนั้นหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องมีความเชื่อแล้วก็ต้องศึกษาคำสั่งคำสอนต่างๆ เช่นคำสอนที่ให้หมันสร้างบารมีสิบประการนี้แล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนอย่างเช่นวันนี้ก็มาศึกษาถึงเรื่องบารมีสิบชนิดแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามลำดับต่อไปตามกำลังของผู้ ปฏิบัติแต่ละคนเพราะผู้ปฏิบัติแต่ละคนนี้อาจจะมีบารมีเก่าสะสมติดตัวมามากน้อยไม่เท่ากันบางคนก็สามารถที่จะปฏิบัติได้มากบางคนก็ปฏิบัติได้น้อยแต่ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ไม่ควรที่จะไป เอามาเป็นอารมณ์ถ้าเราปฏิบัติได้น้อยแล้วเห็นผู้ที่เขาปฏิบัติได้มากกว่าก็ไม่ต้องไปกังวลก็ให้ถือว่าเขาได้ทำมามากกว่าเราเขาเลยสามารถทำมากกว่าเราได้เรายัางทำไม่ได้มากเท่าเขาเราก็ทำไปเท่าที่เราทำได้ ทำไปตามตามขั้นตอนบารมีสิบนี้ก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นเหมือนขั้นบันไดบางคนก็อาจจะอยู่ขั้นที่สามบางคนก็อาจจะอยู่ขั้นที่สี่หรือขั้นที่ห้าหรือหกบางคนก็ยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่ขั้นที่หนึ่งอยู่ก็ไม่ต้องไป เปรียบเทียบตัวเรากับผู้<ม>เพียงแต่ให้รู้ว่าแต่ละคนนี้มีบุญบารมีสะสมมาไม่เท่ากันดังที่มีสุภาษิต ท, ที่พูดไว้ว่าแข่งรถแข่งเรือนี้เราพอจะแข่งกันได้นะแต่แข่งเรื่องวาสนาบารมีนี่เป็นสิ่งที่แข่งกันไม่ได้เพราะเป็นสิ่งที่ต้องสะสมกันมา ในอดีตเราจึงมีบุคคลหลายระดับด้วยกันมีระดับมนุษย์ธรรมดาระดับเทพระดับพรหมระดับพระอริยบุคคลจนถึงพระอาหารหันต์ถึงพระพุทธเจา้าบุคคลเหล่านี้ได้มีการปฏิบัติสร้างบา ร, รมีมาอย่างโชคชน ยังทำให้เขาสามารถที่จะยกระดับจิตใจของเขาให้ขึ้นสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปตามลำดับได้ถ้าเราเองคิดว่าเป็นผู้เพียงเริ่มต้นเราก็เริ่มต้นที่ขั้นที่ขั้นที่หนึ่งก่อนก็คือขั้นเมตตาเมตตานี้เป็นพื้นฐานของ เป็นรากฐานของการเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจถ้าเราต้องการให้จิตใจเราเจริญรุ่งเรืองพัฒนาขึ้นไปจากระดับของมนุษย์ให้ขึ้นสูงขึ้นไปตามลาดับเราจำเป็นที่จะต้องเจริญเมตตาให้ได้ก่อนออการเจริญเมตตานี้ก็เป็นการเจริญ ด้วยการกระทไม่ใช่ด้วยการสวดอย่างที่ชาวพุทธเราเข้าใจกันชาวพุทธเรามักจะสวดบทแผ่เมตตาหลังจากที่สวดมนต์เสร็จหรือนั่งสมาธิเสร็จก็จะสวดบทแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวลาห้นตุการสวดนี้ยังไม่ได้เป็นการแผ่ การแผ่คือการให้ความเมตตาการจะให้ความเมตตานี้ต้องให้ด้วยการกระทำต่อหน้าผู้ที่เขารับความเมตตาจากเราเช่น<ม>ถ้ามีผู้เขาเดือดร้อนถ้ามาขอความช่วยเหลือจากเราอันนี้ถ้าเราให้ความช่วยเหลือเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาแล้วให้ความสุขกับเขา เขาเดือดร้อนไม่มีอาหารรับประทานอย่างนี้เราก็มีอาหารพอที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้เราก็แบ่งปันไปพอเขาได้รับประทานอาหารเขาก็ได้รับความสุขจากการให้ของเราอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา ส, สัตย์ตา สุขีอตานังปลิหารันตุเนี่ยยังมีสุขรักษาตนเถิดเมื่อเขาไม่มีสุขรักษาตัวเขาเขาก็เลยต้องมาขอความสุขจากเรานั่นเองเรามีความสุขมากมากกว่าที่เราจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เพราะว่ามากเกินต่อความต้องการของชีวิตของเราเราเก็บไว้ก็ไม่ได้ทำให้ความสุขเรา มากขึ้นและให้เขาไปก็ไม่ได้ทำให้ความสุขของเราลดน้อยลงไปแต่จะทำให้เขาที่ไม่มีความสุขนี้ได้มีความสุขขึ้นมานั่นเอง <Yeah. S 1> นี่คือวิธีการให้ความสุขกับผู้ <Yeah. S 1> สุขีอัตานังปาริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยังมีสุขรักษาตนเถอด <Yeah. S 1> ถ้าเขาไม่มีสุข เขามาขอสุขจากเราเราก็ต้องให้เขาถ้าเราสามารถที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้อันนี้แหละคือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทาไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดการสวด น, นี้เป็นการศึกษาก็ได้หรือเป็นการฝึกสติก็ได้เป็นการทบทวนการแผ่เมตตาว่าต้องแผ่อย่างไร อย่างข้อที่หนึ่งสัตยสัตตาอาเวลาโหนตุนะขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวรกันเถิดอันนี้ก็คือเวลาที่เรามีปัญหากับใครเราก็อย่าไปจองเวรจองกรรมกันอย่าไปอาฆาตพยาบาทกันอาเวลาโหนตุจงไม่มีเวรกันเถิด จงอย่าจองเวรจองกรรมกันเถอะให้อภัยกันเถิดเพราะการจองเวรจองกรรมนั้นไม่ได้ระงับเวรกรรมแต่เป็นการสร้างเวรกรรมให้มีมากขึ้นไปเรื่อยแต่การระงับการจองเวรจองกรรมด้วยการให้อภัยก็จะทําให้เวรกรรมนั้นหมดไปอันนี้ บทสวรที่เราสวดกันวิธีแถเมตตามีอยู่สี่ลักษณะนักษัตลักษณะที่หนึ่งก็ อ, อย่าอย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันอัพยาปชาโหนตุอย่าเบียดเบียนกันอย่าสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นทำอะไรก็ต้องคำหนึ่งถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้อื่น ถ้าทําแล้วทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนเราก็ไม่ควรที่จะกระทำถ้าเราต้องการมีความเมตตาถ้าเราต้องการสร้างเมตตาบารมีขึ้นมาเราก็อย่าไปเบียดเบียนผู้พรการเบียดเบียนก็จะเป็นการไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันนั่นเองพอเราไปเบียดเบียนเขาเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเบียดเบียนเราเอง เราจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวกันแทนที่จะมีความสุขก็จะต้องมีความทุกข์ต่อกันละกันข้อที่สองเลยทำอะไรอย่าไปทำให้พูดเขาเสียหายเดือดร้อนไม่เบียดเบียนกันข้อที่สามอานิคาโหสุอย่าทำให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจสัจปย์สัตตาออขอให้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจเถิด ก็ไม่มีทุกกายทุกใจจากการกระทําของเรานี่แหละจะไปจากใครเวลาเขาเกิดความทุกกายทุกใจก็เกิดจากการกระทําของเรานี่ถ้าเราไม่ทําให้เขาทุกกายทุกใจเขาก็ไม่ทุกกายทุกใจฉะนั้นทำอะไรก็บางครั้งก็อาจจะมีอารมณ์แล้วก็ต้องคิดทําร้ายพูดด้วย ทำร้ายร่างกายบ้างทำร้ายทางด้านจิตใจบ้างก็ต้องรีบระ ง, งับเสียถ้าเราต้องการจะแผ่เมตตาถ้าเราต้องการให้เมตตากับเขาเราก็ต้องระ ง, งับความคิดที่จะไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของเขาอันนี้ต้องทำด้วยการกระทำไม่ได้ทำด้วยการสวดการสวดไม่ได้ทำอะไรเลย เป็นการสวดไปในใจเท่านั้นเองไม่มีใครรับรู้กับการสวดของเราไม่มีใครเห็นการกระทำของเราเพราะเราไม่ได้กระทำอะไรจึงไม่ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาข้อที่สี่ก็สุขีอัตานังปาริหารันตุจงมีสุขรักษาตนเถยก็คือให้ความสุขกับเขานั่นเอง ถ้าเขาไม่มีความสุขเขาเดือดร้อนอก็ให้ความสุขกับเขามีอะไรที่จะช่วยให้เขามีความสุขได้โดยที่ตัวเราเองก็ไม่เดือดร้อนอมไม่เสียหายก็ให้ความสุขกับเขาไปตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ให้ไปตามกำลังถ้าไม่มีก็ก็ช่วยไม่ได้เพราะคนเราก็มีขอบเขตความสามารถ ที่จะช่วยเหลือกันได้<ม>แต่เมื่อถึงขีดเกินความสามารถ<ม>ก็ต้องทําใจ<ม>ต้องยอมรับว่าเราทําไม่ได้<ม>ทําได้เท่านี้<ม>แต่ไม่ถือว่าเป็นการขาดความเมตตามันเรื่องไปของเหตุสุดวิสัยอยากจะช่วยอยากจะให้แต่ให้ไม่ได้ไม่มีจะให้ นี่คือการเจริญเมตตาบามีเราต้องเจริญด้วยการกระทาแต่การสวดนี้ก็เป็นการซักซ้อมหรือเป็นการเตือนใจให้รู้ว่าเนี่ยการแผ่เมตตานี้มีกี่วิธีด้วยกันแล้วจะใช้วิธีไหนในตอนใด เวลาเกิดมีเรื่องมีราวกันทะเลาะบอกแวงกันโกรธเคืองกันก็ให้อภัยกันอย่าจองเวรกันเวลาจะทำอะไรก็ดูผลกระทบจากการกระทำของเราว่าจะไปทำให้ผู้อื่เขาเสียหายเดือดร้อนหรือไม่เช่นขับรถนี่ต้องระมัดระวังคนข้ามถนนรถที่เขาอยู่ คนละทางกันถ้าเกิดเขาวิ่งมาแล้วจะตัดหน้าอย่างนี้ถ้าเราหยุดได้ก็ต้องรีบหยุดนต้องมีสติคอยเฝ้าดูอย่าไปให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาขับรถด้วยความระมัดระวังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาอย่างหนึ่งขับรถด้วยการมีสติขับขับรถด้วยความระมัดระวัง แล้วไม่ขับรถเร็วเกินไปแล้วก็ไม่ขับเวลาที่เมาสุรายาเมาหรือยาเสพติดคนที่ดื่มชราเมาแล้วไปขับรถนี่ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีความเมตตาขาดความเมตตาแล้วเพราะว่าขับไปแล้วเมามากักจะไปชนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ยังต้องมีความระมัดระวังคนที่มีความเมตตานี้จะต้องร ะ, ะมัดระวังทุกเวทุกกิริยาบุตของการเคลื่อนไหวต้องคอยดูว่าการพูดของเราการกระทําของเรานี้จะทําให้เกิดความเสียหายกับใครหรือไม่ถ้าจะทําให้เกิดความเสียหายก็ต้องแก้ไขขับรถเร็วไปขับรถแล้วไม่มีสติอยู่การขับ มัวคุยกันมัวเล่นกันมัวพูดโทรศัพท์ดูมือถือไปขับรถไปอย่างนี้ถือว่าเป็นการขาดความเมตตาเพราะว่าจะไปทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้นี่คือหลักของการมีความเมตตาแผ่เมตตาหรือให้ความเมตตาต้องให้ด้วยการกระทำ ถ้ามีความเมตตาอยู่ในใจแล้วนี่จะทำให้การสร้างบา ร, รมีขั้นต่อไปขั้นสูงขึ้นไปนี้ทำได้อย่างง่ายดายพอเรามีเมตตาแล้วการที่เราจะไปสร้างทานบา ร, รมีก็จะไม่ใช่เป็นของยากเย็นอะไรเพราะการให้การสร้างทานบา ร, รมีก็คือการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนั่นเอง แบ่งปันข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เราก็เอามาแปลงเป็นทานบาลมีดีกว่าเพราะทานบา ร, รมีนี้เราเอาไปกับเราได้ทานบาลมีนี้จะเป็นที่พึ่งเป็นอาหารเป็นที่อ่อาศัยเป็นเครื่องนุ่งห่มของเรา เวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาที่เรามีร่างกายเราก็ใช้ร่างกายหาอาหารหาที่ อ, อาศัยหาเครื่องนุ่งหม่มหายารักษาโรคได้แต่เวลาที่เราเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วนี้มันจะไม่สามารถหาบ้านหาที่อยูอาศัยหายารักษาโรคหาเครื่องนุ่งหม่มหาอาหาร มาเลี้ยงดูจิตใจได้จำเป็นต้องอาศัยทานบารมีนี่ถ้าเราทำทานบารมีอยู่เรื่อยเราก็จะมีปัจจัยสี่ของจิตใจเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะเป็นดวงวิญญาณที่ไม่หิวโหวยเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีที่พึ่ง เป็นวิญญาณที่มีที่อยู่อาศัยที่สุขที่เจริญที่เต็มไปด้วยความสุขคือจะได้เป็นเทพหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของทานบา ร, รมีข้อที่สองต้องพยายามฝึกการให้อยู่เรื่อยๆให้มากให้น้อยก็ให้ไปถ้าเรามี เกินต่อความจำเป็นของเราอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิด<ม>ทางที่ผิดก็คือการไปสร้างพบสร้างชาติด้วยการกระทำตามความอยากต่างๆนี่<ม>ความอยากที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ<ม>แต่ถ้าเอาไปใช้กับปัจจัยสี่ เอาไปใช้กับเครื่องนุ่งห่มที่ภาษา ย, ยารักษาโรคอาหารนี้ถ้าใช้แบบมากน้อยสันโดษนี้ไม่ถือว่าเป็นการหาความอยากไม่ถือว่าเป็นความโลภแต่ถือว่าเป็นความจำเป็นถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูร่างกายเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตใจ ให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแต่ถ้าใช้แบบฟุ่มเฟือยใช้แบบหรูหราเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความโลภได้ถือว่าเป็นตัณหาความอยากได้ถือว่าเป็นการสร้างภพสร้างชาติต่อภพต่อชาติให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะเรากําลังให้อาหารแก่กิเลสตัณหานั่นเอง กิเลตังหาถ้ามันได้ทําตามที่มันอยากจะทํามันก็จะมีกำลังมากขึ้นกำลังที่จะดึงใจนี้ให้เวียนว่ายตายเกิดในตายพบได้มากขึ้นนั่นเองงนั้นเราก็ต้องระวังถ้าเรามีเงินมีทองมีข้าวของอะไรที่มากกว่าที่เราจะใช้ได้แล้วเราเอาไปใช้ในทางที่ผิดแทนที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ ต่อจิตใจมันก็จะกลายเป็นโทษต่อจิตใจเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรถโถดสะพะชนิดต่างๆเห็นรูปสวยๆ ง, มงามๆก็อยากจะซื้ออยากจะได้ได้ยินเสียงไพเราะเพราะ พ, าะพิงก็อยากจะได้เนี่ยเรจึงมีของใช้มากมายหลายชนิดด้วยกันมาล่อมาลอกิเลสตัณหาของเรา ให้เรามีาติดอยู่กับลูกเกโโสียงกลิ่นรสพดทพะจนกลายเป็นเหมือนกับติดยาเสพติดไปจำเป็นที่จะต้องคอยซื้อของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆของเก่าที่ซื้อมาแล้วนี่มันไม่มีความหมายแล้วความสุขที่ได้จากการซื้อมันหมดไปตั้งแต่วันที่เราซื้อแล้วอพอซื้อมาแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้บาทงทีไม่ได้ใช้เลย แล้วพอไปเห็นของใหม่ในล่างอีกก็เกิดความอยากได้นี่เป็นวิธีการใช้เงินที่เป็นโทษต่อจิตใจแทนที่จะปลดปลื้มจิตใจให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกลับเป็นการผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้น เรถ้าเรามีทรัพย์มีเงินมีทองมากกว่าที่เราจาเป็นที่จะต้องใช้ให้กับร่างกายของเราอย่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดอย่าไปใช้ตอบสนองตัณหาอย่าไปใช้ตอบสนองกามาตัณหาอย่าไปใช้ตอบสนองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอต่างบางทีมีเงินมีทองมีฐานะ แต่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นผู้แทนบ้างอยากจะเป็นนายก อ, อบจ อ, อบต อ, อยากจะเป็นนายกเทศมนตรีอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นการเป็นการเลี้ยงตัณหาเป็นการเลี้ยงความอยากที่จะผูกมัดมจิตใจให้ติดอยู่กับการยวียนว่ายตายเกิด เอาเงินที่มีมีกำลังมีเงินก็เอาไปใช้ในการหาเสียง<ม>เพราะเวลาที่จะสมัครมันต้องใช้การหาเสียงต้องมีค่าใช้ใจ่ายต้องมีเงินมีทองท<ม>าไปเพื่ออาจจะอยากได้อำนาจบ้างอยากจะได้เกียรติยศอยากจะมีหน้ามีตาอยากจะให้เขาเขาคนเขาเคารพนับถือ<ม>ก็ เอาเงินทองที่มีอยู่นี้ที่เหลือกินนี้เอาไปใช้กับภาวะทันหา<ม>คือไปหาเสียงไปหายศหาตำแหน่งต่างๆอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีการให้ทานวิธีการให้ทานเพื่อตกเปื้องจิตใจให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ เรเอาไปใช้เพื่อกำจัดความโลภความอยากต่างๆเวลาจะเอาเงินไปใช้กับความอยากก็หันไปใช้กับการให้ทานแทนความโลภความอยากก็ไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เพราะทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินทองให้กับความอยากเราก็เอาเงินทองก้อนนั้นไปทําบุญให้ทานแทน เช่นเห็นรถใหม่สวยๆงามๆแต่รถเก่าเราก็ยังวิ่งดีอยู่ยังใช้ประโยชน์ได้ดีอยู่ทำหน้าที่พาเราไปไหนมาไหนได้เหมือนกันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อรถใหม่แต่เห็นแล้วอยากได้ถ้าซื้อด้วยความอยากแบบนี้มันก็เรียกว่าเป็นการต่อพบต่อชาติเป็นการเสริมกำลังของความอยากให้มีมากขึ้น ก็ือจะได้ดึงจิตใจให้ติดอยู่ในการยวีนว่ายตายเกิดให้มากขึ้นนั่นเองการที่เราจะเอาเงินไปซื้อรถใหม่เราก็เอาเงินที่จะไปซื้อรถใหม่นี้ไปบริจาคให้กับสถานที่ต่างๆที่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมก็ได้บริจาคให้กับวัดให้กับโรงเรียนให้กับโรงพยาบาลให้กับสาธารณกุศลต่างๆก็ได้ ทำอย่างนี้เราจะได้ประโยชน์กับจิตใจทําประโยชน์ให้กับจิตใจเพราะจิตใจจะตัดความอยากต่างๆให้เบาบางลงได้ทําให้ความอยากกําลังลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ เ, mm. เป็นการเหมือนกับเป็นการตอนกิเลสตอนตัณหาทําบอลไซให้กับกิเลสทําบอลไซให้กับตัณหาความอยากนี่ทุกครั้งที่อยากจะใช้เงินไปกับ ความอยากไม่ว่าจะเป็นการมาตัญหาก็ดีภาวะตัญหาก็ดีวิภาวะตัญหาก็ดีทานที่ยาวเงี้ยนี่ไปใช้ตามความอยากเหล่านี้เราก็เอาไปบริจาคให้กับ อ, องค์กรการกุศลต่างๆเพื่อที่จะได้มาทําคุณทําประโยชน์ให้แก่สังคมเพื่อให้สังคมเหล่านี้อยู่ดีกินดีมีความสุข ไม่แรนแค้นแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันเพราะถ้าเราไม่ช่วยดูแลผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเมื่อเขาเดือดร้อนมากๆถ้าเขาไม่สามารถที่จะช่วยตัวเขาเองด้วยวิธีที่สุดจริต <c oughs> เขาก็อาจจะต้องไปทำวิธีทุจริตต่างๆเพื่อความอยู่รอดของเขาเขาก็อาจจะมารักเล็กขโมยน้อยมาป้นมาที่เราก็ได้ แต่ถ้าเขาไม่ไม่เดือดร้อนไม่แรนแคนเพราะมีการช่วยเหลือกันมีการดูแลกันจากผู้ที่มีนี่มันก็จะทาให้สังคมนี้อยู่กันอย่างปลอดภัยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่า<ม>งที่มีบทคำธรรมะที่ที่พูดไว้ว่าเมตตาําจุนโลกนี้โลกเหล่านี้จะอยู่กันด้วยความผาสุขด้วยความสงบ ก็เพราะอาศัยการที่เรามีเมตตาต่อกันอย่าเอาแต่ความสุขของเราคิดแต่จะหาความสุขของเราโดยที่ไม่คำนึงถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นเพราะเดี๋ยวความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นนี่มันจะเป็นตัวที่จะไปกดดันให้ผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนนี้มาสร้างความเสียหายกับเราได้ แต่ถ้าเขาได้รับการดูแลได้รับการบรรเทาช่วยเหลือเรื่องความทุกข์ยากเดือดร้อนต่างๆเขาก็จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําความเสียหายให้แก่ผู้เพื่อเอาเพื่อความอยู่รอดของเขาเ น, นั่นเองอนนี้เมตตาจึงมีความสําคัญต่อสัตว์โลกอาบใดที่เรายังต้องอยู่ร่วมกันในโลกเดียวกันเราจะต้องมีความเมตตาต่อกัน แล้วมันจะทำให้โลกเหล่านี้อยู่กันอย่างมีความสุขปราศจากความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทกันเพราะมีแต่ความเมตตาคอยช่วยเหลือดูแลกันนั่นเองการทำทาง น, นี้ก็เป็นวิธีจเจริญเมตตาไปในตัวด้วยมีเมตตาแล้วเราก็ ใช้การทำทานนี้เป็นการแสดงออกถึงความเมตตาของเราช่วยเหลือกันไปทำทานประโยชน์ทางจิตใจก็คือจะระงับความอยากที่คอยดึงให้จิตใจของเรานี้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดให้มันมีอ่อนกำลังลงให้มันมีกำลังน้อยลงตัดตันหาให้มันมีจำนวนน้อยลงตัดการมาตันหาให้น้อยลงตัดภาวะตันหาวิภาวะตันหาให้มันน้อยลงไป เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมากเกินไปตัดภพตัดชาติไปเรื่อยๆด้วยการทำทานสาเหตุของการทำทานอย่างหนึ่งก็คือเป็นการลดภพลดชาติได้ตัดภพตัดชาติให้น้อยลงได้เพราะเราไปลดเหตุคือการมาตฐานหาภาวะฐานหาวิภาวะทานหานนี้ให้มันมีน้อยลงไปนั่นเอง ทุกครั้งที่อยากจะมีการมาตัญหาก็เอาเอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานแทนภาวะตัญหาการมตัญหาก็จะมีกําลังอ่อนลงน้อยลงไปตามลําดับต่อไปถ้าเราทําบุญเป็นนิสัยนี้เราจะแทบจะไม่เอาเงินทองนี้ไปตอบสนองตัญหาความอยากเลยเราจะสามารถอยู่แบบมักน้อยสันโดษได้เพราะเพราะว่าร่างกายมัก็ต้องการของเท่านั้นแหละ ของเท่าที่จำเป็นถ้ามันได้อย่างพอเพียงแล้วมันก็พอแล้วให้มันมากให้มันแพงให้มันหรูหรามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรถึงผลที่จะเกิดจากต่อร่างกายร่างกายมันก็จะได้การดูแลเหมือนกันแต่จิตใจนี่แหละจะเป็นผู้ที่จ ะ, ผ, จะผู้ที่จะต้องรับรับโทษจากการที่ใช้ของฟุ่มเฟือยใช้ของหรูหรา พราะนั้นเป็นการใช้ตามความอยากของกิเลสตัณหานั่นเองแต่ถ้าใช้แบบมากน้อยสันโดษนี่เป็นการใช้ตามหลักธรรมหลักธรรมที่พระเจ้าทรงได้ค้นพบว่าเป็นการดูแลร่างกายตามเหตุตามผลแล้วก็ได้ประโยชน์เท่ากันได้ประโยชน์เท่ากับการดูแลร่างกายแบบฟุ่มเฟือยแบบหรูหรา นี่คือเรื่องของการสร้างทานบารณีเพื่อที่เราจะได้กาจัดสกัดการไปสนับสนุนตันหาต่างๆแทนที่จะไปใช้เงินตามความอยากก็เอาไปทำบุญทําทานต่อไปความอยากที่จะใช้เงินเพื่อความความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็จะหมดไป จะทำให้เรานี้ไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาความสุขจากแหล่งบันเทิงต่างๆเราก็จะได้มีเวลาที่เราจะได้ไปสร้างบา ร, รมีเพิ่มมากขึ้นต่อไปบา ร, รมีที่เราจะต้องสร้างกันต่อไปอยากทานบา ร, รมีก็คือศีลบา ร, รมีศีลบา ร, รมีก็คือการระ ง, งับการกระทำบาสนั่นเอง เพราะการกระทำบาปนี้เป็นการดึงจิตใจให้ลงต่ำไม่ได้เป็นการส่งจิตใจให้ขึ้นสูงเพราะว่ายังมีภพชาติที่ต่ำกว่าของมนุษย์อยู่สี่ระดับด้วยกันที่เราเรียกว่าอาบายคือภพของเดชะชานของเปรตของอสุรกายและของนรกนี่ภพชาติเหล่านี้จะมีเกิดขึ้นต่อผู้ที่มีการกระทำบาปอยู่เรื่อย ถ้ามีการกระทำบาปมากกว่าการกระทำบุญถ้าทำบุญน้อยทำบาปมากบุญที่ได้ทำไว้ยังไม่มีกำลังพอที่จะส่งผลที่จะดึงให้จิตใจขึ้นสูงให้ขึ้นไปเป็นเทพได้เพราะถูกบาปที่มีกำลังมากกว่าดึงเอาไว้ให้ลงต่ำนั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อการป้องกันไม่ให้จิตใจตกต่ำจำเป็นที่จะต้อง มีการเจริญศีลบามีศีลบรารมีก็คือศีลห้าศีลห้านี้เป็นศีลที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจตกลงไปในอบายนั่นเองไม่ให้า่าสัตว์ไม่ให้รักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีไม่ให้พูดปดแล้วก็ไม่ให้เสพอบายยามุก ค, คือสุรายาเมาหรือการเล่นการพ น, นันการเที่ยวกลางคืน การเที่ยวเตร่ความเกลียดค้านและการครบคนชอบอบายยมุขเป็นนิตเพราะการเสพอบายยมุขนี้เท่ากับการที่จะทำให้เราตกลงแมอบายได้ง่ายเพราะอบายยมุขก็คือทางเข้าของอบายนั่นเองเราต้องพยายามอยู่ห่างไกลของทางเข้าของอบายด้วยการไม่ไปเสพอบายยมุข มเมื่อไม่เสพอบายามุกโอกาสที่จะทําบาปก็จะยากเมื่อการทําบาปยากการจะเข้าไปในอบายก็ยากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าไปเสพอบายามุกแล้วการกะทำบาปมันจะง่ายพระเจ้าเลยต้องห้ามข้อสินข้อห้าคืออบายามุกคือการดื่มสุราอยาเมาการดื่มสุรายาเมานี่ความจริงยังไม่ได้เป็นการกระทำบาปเพราะว่าเป็นการ เป็นการดื่มแล้วก็ทําให้ตนเองมึนเมาทัานเองถ้าดื่มแลนอนหลับก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้แม่แต่ถ้าดื่มแล้วไปยังไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ไปเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้อยู่เดี๋ยวก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาได้แล้วก็จะผ่านคารวะวิวาทกับผู้ทําให้เกิดการทำร้ายร่างกายของกันและกันได้หรืออาจจะถึงกับการฆ่ากันขึ้นมาก็ได้ อันนี้จึงต้องห้ามไม่ให้เสพโชายาเมาไม่ให้เสพอบายยามุกต่างๆนี่คือข้อของศีลบรารมีคือศีลหา้าทำทานแล้วก็ต้องรักษาศีลห้าควบคู่ไปด้วยกันทานจึงจะได้มีมีกอา ม, มีโอกาสที่จะได้ส่งผลเพราะเมื่อเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะปิดประตูบาย จิตใจจะไม่ลงต่ำเพราะสิ่งที่ฉุดจิตใจให้ลงต่ำคือการกระทําบาปนี้ไม่ได้เกิดขึ้นหรือถ้ายังเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะที่ที่ไวบางครั้งเราอาจจะพลั้งเผลอและอาจจะไปทำบาปได้แต่ถ้าเราทําบุญไว้เรื่อยๆทําบุญให้มันมากกว่าบาปไว บุญที่เราทาก็ยังจะสามารถส่งผลให้แก่จิตใจของเราได้ตอนที่เราตายไปถ้าบุญที่เราทาไว้นี้มันมีกำลังมากกว่าบาปบาปก็ยังทําส่งผลไม่ได้เพราะบุญจะส่งผลก่อนบุญก็จะส่งให้เราได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพได้นี่คือขั้นของทานกับศีลบา ร, รมี แล้วถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่าขั้นขั้นของชั้นเทพอยากจะขึ้นสู่ชั้นพรหมชัม้นรูปประภมอารูปประภมนี้เราก็ต้องสร้างบา ร, รมีข้อต่อมาก็คือเราต้องสร้างเนขมมะบา ร, รมีเนคขมมะบา ร, รมีมแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนั่นเอง ในขมมะนี่คือไม่แสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผดเถาะคือเป็นเป็นความประพฤติของนักบวชนี่เองผู้ที่ออกจากกรามนี่เราเรียกว่าเป็นนักบวชการที่จะระงับไม่ให้เสพรูปเสียงกลิ่นลดได้ก็จําเป็นที่จะต้องถือศีลแปดกันนั่นเองต้องถือศีลแปด เปลี่ยนศีลข้อสาจากกาเมมาเป็นอับ ร, รัมมจริยไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็ข้อหก็คือไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปรับประทานได้เพื่อรังับความความหิวของร่างกายแต่ไม่แสวงหาความสุขจากการรับประทานรับประทานเพียงครั้งเดียวก็พอ หรือไม่หรือถ้ารับประทานสองครั้งก็ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วอเอาหนเดียวก็พ อ, อแล้วก็เอาหนเดียวสองหนก็ได้แต่ไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ไม่แสวงหาความสุขจากเครื่องบันเทิตงต่างๆการดูหนังฟังเพลงร้องราทำเพลงอะไรต่างๆและการหาความสุขจากการเสริมสวยความงามทางร่างกาย อันนี้เรียกว่าในขมมะไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปต้องนอนบนเตียงที่พื้นที่แข็งๆจะได้นอนไม่มากถ้านอนบนเตียงที่มีความสำราญเตียงที่มีความสุขพูกหนาๆนุ่มนอนแล้วมันจะนอนมากมันจะเปิดการนอน ถึงแม่น่งกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาแต่ใจที่ถูกความอยากในการเสพการมก็จะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อนั่นเองก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะเอามาใช้กับการจเจริญบารมีขั้นที่สูงต่อไปเพื่อที่จะได้ขึ้นสู่ความสุขหรือขึ้นสู่ระดับของพรหมได้ การจะเกิดสู่ระดับอของของพรหมนี้ต้องมีการเจริญเนคขมะบาล ม, มีพร้อมๆกับการเจริญอุเบกขาบารมีเราต้องทําใจให้สงบให้มีเป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ถ้าใจสงบใจเป็นอุเบกขาบารมีใจก็จะเข้าถึงสวรรค์ชั้นรูปประพมได้คืออุเบกขานี้จะเกิดจากการที่จิตเข้าสู่ ฌานที่สี่นั่นเองการที่จะเข้าสู่ฌานที่สี่ได้ก็จำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติด้วยการถือใน่ขัมมะถ้าเราไม่ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะมีเวลาว่างที่จะมาฝึกสติมาเจริญสมาธิกันฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตนิ่งสงบให้จิตรวมเข้าสู่ รูปฌปานสี่ให้ได้พอจิตเข้าสู่รูปฌปานสี่ได้ก็จะได้อุเบกขาบารมีขึ้นมาแล้วถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่านั้นก็ได้แต่ก็จะได้อุเบกขาบารมีเท่ากันรูปฌานกับอรูปฌานตั้งแต่รูปฌานสี่ขึ้นไปกับอารูปฌานอีกสี่ชั้นนี้ก็จะให้อุเบกขาแก่จิตเหมือนกัน ต่างตรงที่น้ําหนักอาจจะมากน้อยต่างกันอันนี้ก็เป็นการยกระดับจิตใจให้ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรมสองระดับรูปประพรมกับรูปประพรมถ้าเกิดตายไปก่อนที่จะไปสูงกว่านั้นได้ดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในรูประพบหรืออรูปประพบตามกำลังของฌานที่เราได้ึกได้ปฏิบัติกันได้เจริญสติกัน นี่คืออุเบกขาบารมีสร้างโดยการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบจิตใจสงบแล้วจิตใจจะนิ่งจิตใจจะมีความสุขเป็นความสุขที่เหนือกว่กาความสุขทั้งปวงความสุขที่ได้จากโูภเสียงขินโลภต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขจากลาบยศสารเสริญก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับความสุข ที่ได้จากอุเบกขานีเองได้จากความสงบอันนี้ก็จะขึ้นสู่ระดับที่สูงสุดของไตรภพไตรภพก็มีสามภพการมรภพรูปภพและอรูปภพเราปิดประตูบายด้วยศีลแล้วส่งจิตให้ขึ้นสู่เทวภพด้วยการทำทานแล้วเราต้องการขึ้นสูงกว่าเทวภพเราก็ ใช้เนคขมมะบารมีกับอูเบขาบารมีแต่การที่เราได้ขึ้นสู่ภพต่างๆเหล่านี้ยังถือว่ายังติดอยู่ในไตพภพอยู่ยังต้องมีวันเสื่อมลงไปได้ภพไหนไม่ช้าก็เร็วบุญที่ส่งเราขึ้นไปอยู่ในภพเหล่านั้นก็จะอ่อนกำลังลงแล้วมันก็จะถูกแรงของกิเลสตัณหา ดันดึงดึงให้จิตใจลงกลับมาสู่การมาพบกลับมาสู่การมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกถ้าเราต้องการที่จะต้องออกจากตายภพนี้เราต้องเจริญบา ร, รมีอีกข้อหนึ่งก็คือปัญญาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีนี้จะทำให้เรามีมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความสุขต่างๆของตายภพนี้ ล้วนเป็นอนิจจงอนัตตาเป็นทุกขังอนัตตาถ้าไปติดกับความสุขเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางการทางรูปประชานหรือทางอรูปประชานี้มันก็จะทำให้จิตนี้จะต้องมีความทุกเวลาที่มันเสื่อมลงไปแล้วก็จะทำให้จิตนี้กลับมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่เวลาเกิดความอยาก หาความสุขจากการ ام, กมก็ดีหาความสุขจากรูปประชานหรืออรูปประชานก็ดีตอนนั้นต้องใช้ปัญญาบารามีมาสกัดมาหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ได้ความอยากจะหาความสุขจากกามหาจากความสุขจากรูปประชานหรืออรูปประชานได้จิตก็จะหลุดพ้นจากการติดอยู่ในสายพบ เพราะไม่มีความอยากในการไม่มีความอยากในรูปประชาไม่มีความอยากในอรูปประชาน mm hmm. จิตก็จะหลุดออกจากกายภพเข้าสู่พานิพานได้ต้องเข้าด้วยปัญญาบารมีเท่านั้น mm hmm. อันนี้คือบาลามีต่างๆที่จําเป็นจะต้องสร้างการจะสร้างบาลมีเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยอธิษฐานบรารมีอธิษฐานบาลามีก็คือความตั้งใจนี้เอง การตั้งใจว่าจะสร้างบารมีเหล่านี้ถ้าเราไม่ตั้งใจเราก็จะอาจจะไม่มาสร้างบารมีกันถ้าเราได้ศึกษาเราได้รู้แล้วว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้นี้เราต้องมีการสร้างบารมีเหล่านี้เราก็ต้องมีอธิษฐานคือเราต้องกำหนดการกระทาของเราว่าต่อไปนี้เราจะสร้างบารมีต่างๆทุกวันพระนี้ อันนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานเป็นการกำหนดการกระทำของเรานี่แปลว่าเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานนี้ไม่ได้แปลว่าขอเป็นการกำหนดเป้าหมายของการกระทำของเราว่าเราจะทำอะไรเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์เราจาเป็นที่จะต้องสร้างบารมีต่างๆเราก็เลยต้องมีการตั้งเป้าหมาย อธิษฐานขึ้นมาในจาจว่าต่อไปนี้เราจะพยายามสร้างเมตตาบารามีทานบารามีศีลบาลมีเนคขมะบาลมีโอเบกขาบาล ม, าาามีปัญญาบาลมีอยู่เรื่อยๆเช่นอย่างน้อยทุกวันพระเนี่ยเราต้องไปวัดไปสร้างบาลมีเหล่านี้กันนี่เรียกว่าอธิษฐานแล้วพอมีอธิษฐานแล้วก็ต้องมีสัจจะความจริงใจน ถ้าเราไม่มีความจริงใจต่อการตั้งใจของเราพอถึงเวลาเราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เช่นตั้งใจว่าวันจะไปวัดทุกวันพระเดี๋ยวพอดีมีงานอย่างอื่นมีงานแต่งงานของเพื่อนมีงานวันเกิดเขามาชวนให้เราไปก็เปลี่ยนใจแทนที่จะไปวัดไปสร้างบารมีก็เลยไปงานเลี้ยงของเพื่อนแทนแต่ถ้าเรามีสัจจะเราจริงใจต่อความตั้งใจ เราก็ไม่เปลี่ยนใจไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาถ้าไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยแล้วเราจะไม่เปลี่ยนใจวันเกิดของเพื่อนวันเกิดของใครใครเปิดร้านเปิดอะไรเขามาชวนเราเพื่อนรักของเรารักกันยังไงขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรามีอธิษฐานแล้วมีสัจจะแล้วเราจะไม่ไปเราจะทำตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้อันนี้ การที่เราจะทำอะไรให้สำเร็จตามที่เราตั้งใจได้ตํางดิฉจะต้องมีสัจจด้วยมีอธิษฐานด้วยมีความตั้งใจแล้วก็มีสัจจล้วเราก็จะสามารถมาวัดได้มาสร้างทานบา ร, รมีสร้างเมตตาบา ร, ร ม, รา ม, ตรรรมีต่างๆได้แล้วนอกจากการมีอธิษฐานศัจจล้วเราก็ต้องมีความเพียรด้วยต้องขยันทาไม่ใช่ทำน้อยๆทำพอหอมปากหอมคอ อันนี้ต้องทำให้มากขึ้นไปตามลาดับด้วยความเพียรพยายามออแล้วก็ต้องมีขันติความอดทนเพราะการสร้างบา ร, รมีต่างๆนี้มันมักจะมีอุปสรรคมักจะมีมารมาขวางมีความมีมีปัญหามีอะไรต่างๆที่ อ, า, อาจจะทำให้ทำไม่ได้เราก็ต้องอดทนอดกลัน้นบางทีก็อาจจะมีคนมาเ อ, อ่อมามาขวางเราอะไรทำนองนี้ เราก็อยากไปหรือกิเลสบางทีมันก็มาหลอกมาล่อเราเราไปทำไมอาจจะมีความสงสัยโผล่ขึ้นมาบารมีเหล่านี้มีจริงหรือไม่ทำแล้วได้ผลจริงหรือไม่มันก็อาจจะเกิดความลังเลสงสัยได้และอาจจะทนต่อความยั่วย้าของกิเลสไม่ได้ก็ได้อันนี้แต่เราต้องมีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆที่จะมาขวางการสร้างบารมีของเรา ขอให้เรามีความเชื่อมั่นว่าบรารมีเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์จากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วว่ามีคุณมีประโยชน์ต่อจิตใจอย่างยิ่งสามารถยกระดับจิตใจให้ขึ้นสูงและหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนถ้าเรามีความมั่นใจอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีอะไรมาขัดขวางการการสร้างบรารมีเหล่านี้ได้ อันนี้ต้องมีความอดทนเพราะการทำบางทีก็ยากลำบากเหมือนเดินขึ้นเขาการสร้างวารมีนี่เหมือนกับการเดินขึ้นเขาการไปเที่ยวตามความอยากนี่เป็นเหมือนเดินลงเขาไปเที่ยวนี้เพื่อนโทรมาปุ๊บไปได้เลยไปปฏิบัติธรรมสามวันโอ้ต้องตั้งหลักไม่รู้กี่วันกี่คืนกี่เดือนถึงจะไปได้สักครั้งเนี่ยเพราะมันยากถ้าไม่มีความอดทนก็ไม่อยากจะไปกัน พอไปแล้วมันเหงามันต้องอยู่คนเดียวมันไม่ไป ไ, ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้เสษนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของการเติมบุญเติมพลังให้แก่จิตใจซึ่งเป็นเหมือนยานอาวากาศถ้าไม่ได้เติมน้ํามันให้แก่ยานอาวากาศยานอาวากาศก็จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าขึ้นสู่อาวากาศไปไม่ได้ฉันใดจิตใจของพวกเรา ถ้าไม่มีบุญบา ร, รมีสิบประกานนี้ก็จะไม่สามารถที่จะหลุดออกจากแรงดึงดูดของกิเลสตัณหาที่จะคอยดึงดูดให้จิตใจติดอยู่ในตายพบนี้ได้เราต้องพยายามสร้างบา ร, รมีกันด้วยความตั้งใจอธิษฐานบา ร, รมีด้วยสัจจะด้วยวิริยะด้วยขันติแล้วการสร้างทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนื้อขมมะบา ร, รมี โอเบคาบารมีและปัญญาบารมีก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมีคือเรื่องราวที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาตุราปริปุเรนติสาขลงเอวามีวาอิโตชินังเปตานังอุ ป, ปกัปติ อิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนะวะโสยธาเมณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจานตุสัพพะโรโควินาสตุ มาเตภวะตวันตาลาโยสุขีทีขายยโกภวะอภิวาทนาสิลิสานิจังวุธาปจายโนยัตตารธรมมาวะทานติอายุวโนโสุขังฮาลางช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่เราจะคุยกันถามกันเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกฉันขอความกรุณาถ้าอยากจะถามอะไรอยากจะคุยอะไรก็พูดคุยกันตอนนี้ได้ถ้าไม่อยากจ ะ, ะถ้าอยากจะถามเองก็เข้ามาที่ข้างหน้านี้จะมีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะมาพูดเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ถ้ามีมือถือก็ใช้มือถือส่งข้อความเข้ามาในเพจหรือใน YouTube ก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่เจ้าขาทาง Facebook 418 YouTube พระอาจารย์สุชาติ265 YouTube ดกเตอรวี120วิทย์ออนไลน์9 c l ับ h o u s e 15น้ากุติ73รวมทั้งหมด900ท่านค่ะเชิญ ขอสอบถามพระเาจารย์เจ้าค่ในการปฏิบัติธรรมเออถ้าเราทานอาหารหนึ่งมือหรือสองมือเราจําเป็นถ้าเราทานอาหารหนึ่งมือหรือสองมือแล้วเราจําเป็นต้องงดเนื้อสัตว์ไหมเจ้าค่ะอ๋อไม่เกี่ยวเรื่เนื้อสัตว์ให้กินได้ถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าเองหรือสั่งให้คนอื่นเขาฆ่าให้เราไม่บาดเนีเจ้าค่ะเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วไปซื้อมาจากตลาดนี้กินได้ใช่ไหม ไม่ต้องกินเจไม่ต้องปฏิบัติทางนี้ไม่ต้องกินเจแล้วก็การปฏิบัตินี้อย่างต่ําควรใช้เวลาวันละกี่ชั่วโมงเจ้าคะ่ะยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดียอย่างต่ํามันมีเจ้าไม่เจ้าไดแต่เราเราจะเราต้องเป็นผู้กำหนดเองครับขอบคุณเจ้าคะ่ะคําถามจากคุณเอกสวุวรรณค่ะกลับเรียนสอบถามพระอาจารย์ไพรพรมถือสิลปะ นั่งสมาธิภาวนาพุโทโธได้ประมาณหกเดือนแล้ววันก่อนนั่งภาวนาพุโทโธเห็นดวงแก้วลอยขึ้นมาแล้วแตกเป็นแสงสว่างจ้าเธอตกใจมากจึงออกจากสมาธิบอกว่ามันเหมือนเป็นความจริงต่อหน้าไม่เหมือนเกิดในภวังเลยรู้สึกกลัวจะต้องปฏิบัติต่ออย่างไรดีครับต้องทาความเข้าใจว่าเวลาเราภาวนาเนี่ย เวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจนี่ไม่ต้องไปตกใจไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจจิตใจเป็นเหมือนท้องฟ้าเนี่ยใครจะยิงพูุขึ้นไปบนท้องฟ้าท้องฟ้ามันก็ไม่เดือดร้อนสิ่งปรากฏการที่ปรากฏในใจเราก็เหมือนกับสิ่งที่ปรากฏบนท้องฟ้านี่มันเกิดแล้วมันก็ดับไปให้เรามีสติรู้แล้วก็วางเฉยกลับมาอยู่กับการภาวนาของเราต่อ ถ้าเราพุโทโธเราก็พุโทโธต่อถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ปฏิบัติแต่อย่างใดใอย่าเสียสมาธิอย่าไปตกใจมันจะเสียสมาธิแล้วมันจะทำให้การปฏิบัติมันชะ ง, งักได้ดังั้นเราต้องต่อไปพุโทโธต่อไปดูลมต่อไปไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมามีอะไรมาสัมผัสให้เราใจรับรู้ก็คิดว่าเหมือน สิ่งที่ปรากฏบนท้องฟ้านบนท้องฟ้าบางทีเราก็มีเมฆมีหมอกมีมีไฟมีเครื่องบินมีอะไรบินไปบินมามีแสงแสงสว่างของแสงอาทิตย์บ้างอะไรบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เวลาที่ภาวนาจากคนร้ายการักนะผมฝึกดูลม พูทโทเข้าโทรออกประมาณประมาณหนึ่งเดือนเช้าก่อนนอนเวาลาประมาณหนึ่งครึ่งครึ่งชั่วโมงมีวันหนึ่งผมนั่งอยู่ในรถยนต์ตอนกลางวันแดดร้อนๆ น, นั่งอยู่มองไปข้างหน้าบนถนนอยู่ๆก็เห็นเงาบนถนนลักษณะเหมือนเงาที่บังพระอาทิตย์วิ่งไล่ไปข้างหน้าแล้วก็สว่างเป็นแบบนี้ประมาณสองสามรอบทีแรกผมคิดว่าเมฆลองมองไปบนท้องฟ้าก็ไม่มีเมฆสักแป๊บเดี๋ยวก็หายไปทั้งๆที่แดดออกครับเป็นสภาวะไหมครับ ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เวลาที่เราภาวนามันก็มีอะไรปรากฏขึ้นในใจเราได้ให้เรารับรู้หน้าที่ของเราก็ให้รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจดีใจเสียใจกับมันให้กลับมาดูลมต่อพุทโธต่อไปจากคุณแมมค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าได้เงินได้ให้เงินพี่สาวคนละหนึ่งล้านบาท แต่ทุกเดือนจะขอเงินเขาใช้คนหนึ่งห้าพันอีกคนหนึ่งสามพันแบบนี้ถือเป็นการเบียดเบียนเขาไหมคะคือการขอนี่มันก็ยังไม่เบียดเบียนนะถ้าเราไม่เอาปืนไปจ่อไปจี้เขาบังคับเขาให้ให้เราถ้าขอแล้วเขาเมตตาจะให้เราก็ก็เป็นความเมตตาของเขาไปไม่ถือว่าเป็นการเบียดเบียน จากคุณแดงการแทงหวยเราจะตกอบายไหมเจ้าคะถือว่าผิดสินไ้ยเจ้าคะไม่ผิดหรอกการแทงหวยก็เป็นเหมือนกับการการซื้อสินค้าอย่างไปซื้อของในตลาดเราก็หวังผลประโยชน์จากสินค้าที่เราซื้อใชซื้อส้มเราก็ต้องการที่จะ ก, กินส้มซื้อสลากเราก็ต้องการจะถูกรางวัลก็เท่านั้นเองเห็นแต่ว่ามันถ้า มันอาจจะขาดทุนเท่านั้นเองเพราะซื้อแล้วไม่ถูกมันก็จะขาดทุนอย่างน้อยซื้อส้อมมันก็อย่างน้อยมันอย่างน้อยมันก็ได้ส้มมากินอย่างถ้าเราถ้าเราไม่ต้อตงการจะเสี่ยงโชคก็อย่าไปซื้ออย่าไปซื้อฉาซื้อฉลาดฉลาดมาเล่นแต่ถ้าคิดว่าเป็นการเสี่ยงโชคซื้อแค่ใบสองใบ ถูกก็ดีไม่ถูกก็แล้วไปคิดว่าเป็นการทำบุญไปเพราะเงินที่เขาได้จากการขายสลากเขาก็เอาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมอันนี้เราก็คิดว่าสนับสนุนการการช่วยเหลือสังคมไปถ้าเป็นโชคของเราเราก็จะได้รางวัลก็รับเอาไว้แต่อย่าไปซื้อแบบเป็นอาชีพหมายถึงว่าต้องทาเป็นเครื่องมือทำมาหากิน อย่างนี้ไม่ดีอภัยใหมุกนี้มันเป็นอภัยใหมุกโอกาสที่จะเจ้งมันมีโมากกว่าที่โอกาสที่จะได้ที่จะกําไรงั้นอย่าไปเล่นการพนันการการซื้อสลากก็มันก็เป็นได้สองแบบซื้อแบบเล่นการพนันหรือซื้อแบบเสี่ยงโชคซื้อแบบทําบุญนะเราคิว่าซื้อแบบทําบุญถูกก็ดีไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเงินที่เราเสียไปก็เขาก็เอาไปทําบุญต่อ อันนี้ก็เล่นได้นะให้รู้จักอย่าไปเล่นแบบเป็นอาชีพหวังหวังร่ำหวังรวยจากการแทงสลากเนี่ยมันจะมันจะเจ๊งมากกว่ารวยคําถามจากหน้ากุติค่ะเวลาเรามีทุกข์เราจะสามารถออกจากทุกข์ได้เร็วได้อย่างไรคะก็หยุดความอยากทันทีด้วยการใช้สติใช้พุโทโธก็ได้ ความอยากมันก็มาจากความคิดเนี่ยพอเวลาใจทุกข์ปั๊บก็ท่องพุโทธโธพุทโธพุทโธให้ใจนิ่งให้หยุดคิดพอหยุดปั๊บความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวถ้าอยากให้ความทุกข์หายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอย่าไปอยากได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยง เราไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้เราก็หยุดความอยากเี่ยเปลี่ยนใจเอาไม่เอาก็ได้อยากจะได้เขามาเป็นแฟนนะดูแล้วมันจะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขก็ไม่เอาดูกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเราจับใจได้ไม่เอาไม่อยากจะมีแฟนขึ้นมาปั๊บความทุกข์ที่เกิดจากการอยากได้แฟนมันก็หมดไปจากคุณนิชาโปรดเมตตาชี้แนะ ให้หนูมีจิตใจที่นิ่งไม่คิดมากนึกไปถึงแต่ความทุกข์ในใจเสมอเลยพยายามไม่คิดก็ทําได้สักพักก็กลับไปคิดอีกต้องขยันพุทโธพุทโธนี้เป็นตัวหยุดความคิดได้แต่ต้องขยนันต้องหมั่นพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆเอาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธพุทโธไปทําอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธพุทโธไปถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราว คิดในเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดพอคิดเสร็จทำเสร็จก็พูดโทรต่ออย่างนี้แล้วต่อไปมันจะสามารถทำใจให้นิ่งให้หยุดคิดได้ตลอดเวลานะจากคุณจรัญญาโยมปฏิบัติมาถึงจุดที่ว่าสังเกตใจตัวเองตอนนี้เรามีความรู้สึกความคิดอย่างไรบางทีก็เจอว่ากำลังเกิดความโลภโยมก็บอกตัวเองว่า อย่างนี้ไม่ถูกต้องก็หยุดไม่เดินต่อหรือถ้ากำลังมีอารมณ์ไม่พอใจโยมก็จะบอกตัวเองว่านี้ไม่ถูกต้องเป็นกิเลสพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่เป็นธาตของกิเลสแต่ถ้าสังเกตใจตัวเองแล้วมันเฉยเฉยไม่มีอารมณ์ ดังกล่าวข้างต้นยมจะพิจารณาตัวเองว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงความตายเที่ยงเราจะต้องตายเป็นแท้แน่นอนและเราจะต้องพัดพากจากสิ่งต่างๆบนโลกนี้โยมสามารถพิจารณาอย่างนี้ทุกขณะได้ไหมคะแต่มันจะเหมือนหมดอะไรตายยากเห็นอะไรทําอะไรก็เฉยเฉไม่มีความอยากถูกต้องหรือเปล่าคะแต่เหมือนชีวิตไม่กระปี้กระเป๋าคะ่ะถูกต้องถ้าถ้ามันเป็น เป็นสิ่งที่เราปล่อยวางได้จริงๆเราจะมีความรู้สึกเบาสบายไม่เครียดคำถามจาก Facebook ค่ะขอบารมี หลวงพ่อคุ้มครองคุณพ่อของผมด้วยครับคุณพ่อสุขภาพคุณพ่อสุภาพกิติยุทธพัน์ป่วย ICU อยู่ที่โรงพยาบาลนพนัะนคมพ่อเป็นเส้นเลือดสมองตีตรงบริเวณแกนสมองซึ่งทำอะไรไม่ได้หายใจเองไม่ค่อยได้ให้อาหารทางสายส่วนท่อฉี่ใส่พัมเพิร์ตต้องให้ยาดับายถึงจะ่ายผมทุกข์ใจมากครับขอคำชี้แนะด้วยครับ เรายังต้องอาศัยหมอเลยเราไม่สบายเราก็ยังไปหาหมอเลยงั้นไปขอหมอให้บา ร, รมีของหมอปกป้องคุ้มครองดีกว่าแต่หมอก็ทําได้เท่าที่เขามีความสามารถถ้ามันเรื่องสุตรวิสัยมันก็ต้องปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามสภาพของมันเราต้องหัดทําใจกันบ้างพระเจ้าสอนว่าคนเราทุกคนเกิดมาแล้วหนีความแก่ความเจ็บความตายในพ้น เมื่อถึงเวลาที่มันจะเจ็บมันจะตายนี่ห้ามมันไม่ได้อย่าไปทุกข์กับมันยอมรับกับความจริงนะไม่มีใครแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันคุณตายอยากจะถามคำถามเลยน้อมกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการเมตตาบารมีนี้เราต้องเลือกบุคคลที่เราจะเมตตามไหมคะพระอาจารย์ สัตเพศสัตว์อะมันให้เลือกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องเมตตาหมดต้องเมตตาหมดแต่ว่าถ้าคนไม่ดีสมมุติว่าเขาตกทุกข์ได้ยากแต่ถ้าเราเอาปัจจัยไปให้เขาเอาเงินไปให้เขาแล้วเขาแบบเอาไปเล่นเอาไปทำอะไรต้องให้เงินเขาก็เมตตาได้คือไม่ไปทำร้ายเขาก็เมตตาไล้ เมตตาเขาก็มก็ถือว่าเป็นการเมตตาแล้วค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าเขามาขอขอเงินอะไรเงี้ยถ้าเขาขอเงินถ้าเราก็ดูว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าถ้าเขาเดือดร้อนเรื่องพื้นฐานเช่นอาหารไม่มีกินก็ซื้ออาหารให้เขากินไปค่ะถ้าไม่มีเงินรักษาช่วยรักษาให้เขาได้ก็รักษาไปแม้แต่ทําโดยเวลาไปจับผู้ร้ายเวลายิงผู้ร้ายบาดเจ็บก็ยังต้องเอาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล คือถ้าเป็นเรื่องของพื้นฐานเรื่องของปัจจัยสี่เรื่องของการช่วยชีวิตกันก็ต้องดูแลกันไปแต่ถ้ามากไปกว่า น, นั้นก็ไม่ต้องทําเจ้าค่ะกาขอบคุณเจ้าค่ะแต่ก็ต้องระวังเวลาเราไปช่วยคนไม่ดีก็เหมือนช่วยงูต้องระวังอย่าให้มันงูมักัดเราต้องต้องมีวิธีจับมัดมันไว้เรืออะไรจับมันขังไว้ในกรงก่อนแล้วค่อยช่วยมันเหมือนตำรวจเข้าไปช่วยคนร้ายเขาก็ต้องมีตำรวจคอยมียางคอยเฝ้าใช่ไหม ที่โรงพยาบาลเวลาพาส่งคนร้ายไปรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ต้องมีตำรวจคอยเฝ้าไม่ให้เขาต่อหายแล้วก็ไปทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นช่วยได้แต่เราต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เขามาสร้างความเสียหายให้เดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วช่วยเท่าที่จําเป็นเท่านั้น <S <S ถ้าเราอยากจะสร้างบาลานะีมันก็ต้องทําแต่ถ้าเราไม่ต้องการสร้างบาลาีก็ก็ปล่อยไปไปนอก ก็ได <g banda ay> ้จากคุณนฐพงศ์กับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมปฏิบัติสมากรรมฐานทุกวันกำหนดดูลมหายใจภาวนาพุทโธและจะมีอาการหน่วงที่ใบหน้าพยายามรู้สึกตัวกว้างๆก็แล้วหาวิธีเปลี่ยนฐานก็แล้วแต่ยังไม่หายผมขอคำชี้แนะด้วยครับอ๋ออย่า อ, อย่าเปลี่ยนให้อ ย, ยู่กับพุทโธไปเป็นเรื่องธรรมดาบางทีเวลา นั่งสมาธิหรือเจริญสตินี่กิเลสมันจะมาคอยขัดขวางก็ต้องอดทนใช้ขันติแล้วก็ใช้การภาวนาของเราไปเรื่อยๆสติของเรายังมีกำลังน้อยสู้กับกิเลสไม่ได้ถ้าเราทำไปมากๆบ่อยๆไม่หยุดเดี๋ยวอาการที่ปวดต่างๆก็จะหายไปจากคุณนาวนาวี พระอาจารย์คะพ่อแม่เราไม่ว่าท่านจะเป็นคนอย่างไรหน้าที่เราคือดูแลท่านให้มีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไขแต่กับคนอื่นถ้าเขามีเงินมากแต่กรณีถีเหนียวทั้งต่อหน้าทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นหนูกับสามีซื้ออาหารดีๆไปฝากเขาบ่อยๆเพราะอยากส่งเคราะห์เขาและคิดว่าจะชนะคนโจรีด้วยการให้วันหนึ่งเขาอาจจะละอายใจได้แต่ดูเหมือนว่าความโจนีเขาไม่ลดลงเลยคะ่ะ แต่มีมากขึ้นแบบนี้ควรสงเคราะห์เขาต่อไปไหมคะการสงเคราะห์คนนี้ไม่ควรที่จะไปสงเคราะห์เพื่อเพื่อที่จะไปเปลี่ยนเขาเขาจะตนหนีแล้วเขาจะอะไรก็ตามเราอย่าไปทําเพื่อไปเปลี่ยนเขาเราทําเพื่อช่วยเหลือเขาถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเราก็ช่วยเหลือเขาไปส่วนเขาจะมีสํานึกในบุญมีคุณลดความตันหนีของเขาลงได้ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขา ที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้เราเพียงแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาเดือดร้อนเขาไม่มีจะกินเราก็ช่วยเดี๋ยวเขาไปให้เขามีกินนั่นเองส่วนเรื่องความคิดเห็นของเขาว่าเขาควรจะเปลี่ยนความตัณของเขาหรือควรที่จะมีสํานึกในบุญคุณของผู้อื่นหรือไม่นี่เราอย่าไปหวังการกระทํานี้ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ ปลดใจเราให้กว้างทำให้ใจเราไม่หวงทำให้ใจเราไม่ตันะะี่ต่าส่วนคนอื่นจะตนี่ก็เรื่องของเขาขอให้เราอย่าตนีขอให้เราอย่าโลภขอให้เรามีเมตตาแล้วเราจะมีความสุขคำถามจากเด็กน้อยน้อยกราบนมัสการครับถ้าดูภาพศพ และการผ่าศพใน y o u t u b บบ่อยๆแล้วจำเอาไว้แล้วนึกถึงบ่อยๆ อ, อย่างนี้ก็ภาวนาใช่ไหมครับและต้องเติมคำบริกรรมไปด้วยไหมครับอ๋อไม่ต้องเรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนาพิจารณาสุภาเพื่อจะได้จำได้ว่าร่างกายนี้ความจริงแล้วมันไม่สวยงามมันสวยแต่เพียงภายนอกแต่พอมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วไม่มีอะไรที่น่าน่าดูน่าชมเลยมันก็จะเอามาใชในการระงับดับ กานหาความอยากได้ความอยากจะเสพการอย่างร่วมหลับนอนกันก็จะหายไปจากคุณวรัาางการปฏิบัติเริ่มแรกต้องศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหมดก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เไม่ต้องหรอกศึกษาเพียงพระสูตรสำคัญสำคัญเช่นธรรมจักรกับะวัตนสูตรแล้วก็สติปัฏฐานสูตรนุงคละสูตร น้ำ ส, สูตรนี่ก็พอเพียงที่จะใช้ในการปฏิบัติได้จากคุณสัชิธรเงินที่สามีให้ทุกเดือนเรานําไปทําบุญอยากทราบว่าสามีจะได้บุญด้วยหรือเปล่าคะอะสามีเขาได้ตอนที่เขาให้เราแล้ว เ, เขาให้เรานี่เขาเป็นการทําบุญนะแล้วเราจะเอาไปทําบุญก็จะเป็นบุญของเราสามีไม่ได้บุญเพราะเขาได้ได้ต่อเดียวไม่ใช่ได้สองต่อ จากคุณนัตต้บีนในเรื่องของบารมีสิทธิระหว่างศีลกับเนคขมมะลูกจะส่งอารมณ์ในชีวิตประจําวันอย่างไรเจ้าคะก็ศีลก็คือหมายถึงศีลห้าเนกขมมะก็คือศีลแปดถ้าในปกติวันธรรมดาเราก็รักษาศีลห้าไปเพราะศีลแปมันจะยากไม่ค่อยสะดวกเราก็มารักษาศีลแปในวันที่เราไม่ต้องทํางานแล้วเราก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ คำถามจากหน้ากุฏิค่ะเรานั่งสมาธิแล้ว เ, เห็นเจ้ากรรมนายเวรเราควรทําอย่างไรคะเขาไม่เป็นมิตรแผ่เมตตาหรือทําบุญแบบไหนคะเขาถึงจะอ่อนลงคะเราคิดไปหาหาเขาเองเราหยุดคิดเขาก็ไม่มาคนวะามจริงไม่ใช่ตัวเขาหรอกเพียงแต่ความคิดของเราคิดไปเองเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงก็คือคนที่เจอกันแล้วคอมเ่นกันนะั่นะเนะจ้ากรรมนายเวร แต่ที่เห็นในสมาธินี้มันเกิดจากใจเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็พุทโธพุทโธไปให้ใจสงบแล้วมันก็หายไปคำถามจากเด็กน้อยๆการดูอาการ32ควรจะเพ่งดูอวัยวะอันใดอันหนึ่งไปเรื่อยๆหรือว่าดูหลายๆอวัยวะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปครับก็ไล่ไปตามลําดับ32อาการผมเออยขนเอยเล็บเอยฟันเอยหนังเออยเนื้อเอย เอ็เออก็ดูกยก็ดูไปทีลาการไล่ ไ, ไปไล่ ไ, ไปจนครบสามสิบสองแล้วก็กลับมาใหม่เริ่มต้นใหม่กลับไปกลับมาดูจน ก, กระทั่งหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเวลาเห็นใครนี่ก็เห็นทะลุไปเลยเหมือนตาเอ็กซเรย์ดีกว่า เ, เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องซเรนี้สู้สู้ตาปัญญาไม่ได้ตาปัญญานี่เห็นชัดเลยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้แสงอะไรใช้การพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเราคิดพิจารณาเรื่องอาการสาิสองเรื่อยๆต่อไปเวลาเราเห็นใครนี่เราสามารถมองทะลุเข้าไปได้ทันทีดนะ <c oughs> ู้เลยว่าปอดอยู่ตรงไหนตับอยู่ตรงไหนลำไส้อยู่ตรงไหน <c oughs> กระโหลกศรีรษะอยู่ตรงไหนมันเห็นหมดจากคุณปีเตอร์ภพภูมิเทวดาสามารถบาเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนา กรรมาฐานได้เหมือนมนุษย์หรือไม่ครับเทวดานี่ยังสมายังฝึกภาวนาไม่เป็นยังไม่ได้อยู่ในขั้นภาวนาอยู่ในขั้นทำทานรักษาสีหห้าอยู่ต้องเป็นขั้นพวกพรหมพรมหมนี้เขาจะเจริญสมถทานภาวนาได้ฌานขั้นต่างๆจากคุณอังคณากลับเรียนถามพระอาจารย์ทำบาปแลกบุญหมายถึงอะไรคะ ทำอะไรนะทำบาปแลกบุญค่ะอ๋อไม่แลกไม่ได้หรอกทำบาปก็ได้บาปทำบุญก็ได้บุญไม่ใช่ทำบาปแล้วแลกกับบุญนึงทำไม่ได้ทำบาปก็ได้บาปทำบุญก็ได้บุญ<า>ทำบาปก็ได้บุญก็ดีนะ <c oughs> จากคุณประจักษ์คงการเจริญบา ร, รมีสิทิ์เป็นการเจริญเหตุหรือเป็นส่วนของผลหรือเป็นทั้งเหตุทั้งผลเหมือนการเก็บเงินลงทุนไปลงทุนต่ออ๋อเป็นเหตุเป็นเหตุหต ท, ที่ที่ทำให้เกิดผลแล้วพอได้ผลมันก็จะสนับสนุนให้จิตพัฒนาสูงขึ้นไปตามลำดับ จากคุณจอยการสวดมนต์ก่อนนอนหรือเวลาสะดวกเรามีสมาธิต่อการเปล่งเสียงสวดมนต์เป็นเวลาประมาณสามสิบนาทีแต่เคยอ่านเจอในเฟซมีคนกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องสวดมนต์นานเกินสิบห้าถึงยี่สิบนาทีถูกหรือไม่เจ้าคะคำกล่าวนีอันนี้แล้วแต่ความต้องการของคนแต่และคนไม่เหมือนกันสวดได้นานได้มากเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเพราะจะทาให้จิตนิ่งจิตให้สงบได้มากได้านขึ้น จากคุณแดงสิงโตทองเราเผลอเหยียบมดหอยแบบไม่ตั้งใจเราจะผิดศีลไหมเจ้าคะไม่ผิดมันเป็นอบัติเหตุเหมือนกับเราเดินข้ามถนนแล้วรถเขาวิ่งมาชนเราเขาก็ไม่บาปแต่เราเจ็บตัวมดก็เจ็บเวลาเราไปเหยียบเขาเราต้องระมัดระวังอย่าให้ไปเหยียบเขาถึงแม้ไม่มีเจตนาก็ไม่ควรที่จะไปเหยียบเขา พยายามมีสติทุกเก้าแย่างที่สอนให้เราดูไปข้างหน้าทุกเก้าแยกว่าเรากําลังจะเดินไปเหยียบอะไรหรือไม่<ๆ>เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นได้พระพุทธวจนะกับพระไตรปิฎกต่างกันไหมคะพระไตรปิฎกก็คือที่เก็บพระพุทธวจนะนั่นเองพระพุทธพระพุทธวจนะก็คือพระคําสอนของคําพูดของพระพุทธเจ้าวจนะแปลว่าวาจาน พจน์มาจากคําว่าพจน์พจนะไม่วัจนะพระพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าเป็นคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกจากคุณทัศนาเวลานั่งภาวนาพุทโธบางครั้งนึกถึงพระพุทธรูปถูกต้องไหมคะบางครั้งอะไรนะนึกถึงพระพุทธรูปค่ะแล้วแต่เราเราจะเอาพุทโธก็ไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูป ถ้าจะนึกถึงว่าพุทธรูปก็ไม่ต้องพุดโธก็ได้พยายามนึกถึงรูปพระพุทธรูปขึ้นมาอยู่ในใจจากคุณวชิรโพจน์จิตดีแล้วทุกอย่างจะดีเองใช่ไหมครับจิตดีแล้วก็จิตก็จะสุขเมื่อจิตสุขแล้วจิตก็มองเห็นว่าทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมมันไม่ดีขึ้นแล้วเร็วลงแต่ใจเราดีขึ้นพอใจเราดีขึ้นเราก็มองโลกในในแง่ดีในมุมดี ฉะนั้นเองเป็นเป็นมุมมองของผู้มองถ้าจิตมีความสุขก็จะเห็นว่าทุกอย่างก็ดีอยู่ถ้าจิตไม่มีความสุขก็มองเห็นทุกอย่างไม่ดีเลยค่ะคุณประภาวรินถ้าเราฝากคนอื่นใส่บาตรแทนเราจะได้บุญไหมคะถ้าเรากลับมาเลยนะใส่บาตรค่ะอ๋อใส่บาตรก็เป็นการสร้างทานบารมีบารมีก็ต้องทำหลายหลายหลายบารมีด้วยกันใส่บาตรก็ต้องทํา ท, ทางทางบารมีรักษาศีลก็ต้องทาำญาณศีลบารมีจากคุณปุ๋มทําไมเวลาจิตฟุ้งซ่านใช้พุโทโธเราไม่หายแต่ใช้สวดมนต์ในใจเราหายครับแต่ต้องสวดมนต์ในใจ 2-3 ชั่วโมงครับเพราะว่าเวลาสวดมนต์นี้เราจะต้องใช้ความพยายามส่วนมากกว่าการท่องพุโทโธท่องพุโทโธนี่บางทีท่องไปแล้วใจก็ววบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ แต่ถ้าส่วนมนิจใจเราจะต้องจดจ่ออยู่กับบทสวนมนมากกว่าต้องใช้สติมากกว่าเม่ใช้สติมากกว่ามันก็ทำใจให้สงบได้ได้มากกว่าการใช้พุทโธหมดแล้วเลยโอเ ค, อเคมีใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีอยากจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมอโอเคก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่ง <c oughs> ที่ได้ยินได้ฟังไป พ, พิจิรณาไปปฏิบัติ